มาต้นใจลอาดูมันจะพิดแตกยป็นไงบ้างอยากจะอธิบายทั้งเรื่องทัพย์ทรัพย์สมบัติผิดกันนิดหน่อยให้เข้าใจในทางพุทธศาสนาจ้าไม่เรียกสมบัติถ้าเรียกว่าทัพย์ัพยแปลว่าของคิซ้ายมาทาให้เกิดความตื้นใจจึงเรียกว่าทัพย สิ่งที่เราได้มาแล้วให้เกิดความเพ้นใจมนะันเรียกว่าตับส่วนสมบัติเป็นวัตถุที่เราได้มาสมบัติคือแปลว่าของมาถึงมือเราหรือเราได้มาถึงเรามสิทธิ์มาถึงเราเรามีกรรมสิทธิ์หรือว่าของที่มาถึงมือเรามีเรียกว่าสมบัติสมบัตินั้นเป็นวัตถุโดยมาก หันสือวัตถุเป็นสมบัติรัส้สินเงินทองมูลมรดกเช่นที่ดินที่สวนอะไรต่างเมืออสวนไรนาที่ได้มาเ็ดนินจินดาสายสอยทุมหูเหล่านี้เรียกว่าสมบัติแล้วยังมีอีกค่มหนึ่งเป็นคู่กันสมบัติและวิบัติเมื่อสมบัติแล้วก็ต้องมีวิบัติ ส่วนทัพนั้นไม่มีดิบัตไม่เคยพูดตาวิบัตของทัพไม่เคยพูในทางาพุทธศาสน า, าไม่เคยมีในนั้นยังมีความหมายผิดกันหรือบ้างเรื่องทัพับสมบัติในทางาพุทธศาสน า, าสอนในภากันเป็นคนมีคนรวยถ้าจะอธิบายอีกในหนึ่งทัพ สิ่งใดที่สมบัติทอะไรที่เราได้มาแล้วทําให้เกิดความอิ่มใจพอใจแล้วพุ่มใจลักษณะที่อิ่มใจพื่มใจนะั้นเป็นเป็นตัพยู้สุที่เราเราได้มาเรียกว่าสมบัติส่วนในทางพุทธศาสนานเ น, นี่ัพไม่เนี่ยไม่ได้หมายถึงวัตถุทรัพอันนี้เป็นของทำให้เกิดความพื่มใจพูด ที่เรียกว่าปื้มใจก็หมายความทั้งเรื่องของที่ไม่มีวัตถุหรือเรียกว่านามธรรมน <cheat> ั่นเองอย่งพูดทั้งเรื่องใจคือปื้มใจทัศในทางพุทธศาสนาท่านสอนได้ว่ายัตตะตาตถาคาเตกหาจะลาสุปฏิจิตตาสีรัญจายัตตะกัญยานังอริยกันสังปสังติสัง สังเขปัสสาโทยสจิตผู้ชุบูตันจะรัศนังอาดะริดโดติตังอาหูอโมคันตัสกีวิตัตอนท้ายท่านว่าเป็นคนไม่จนอาดะริดโดติตังอาหูพระพุทธองค์กล่าวว่าเป็นผู้ไม่จนและประกาศตอนสุดท้ายว่าอาโมคันตัสกีวิตังชีวิตอันนั้น ไม่เป็นโมฆะไม่เปล่าใี่จกประยุก์ในใจความยัตตัสธาสถาสตินะจลาสุปฏิจิตาตัาทคือความเชื่อมัน่นของผู้ใดมั่นตั้งใจเชื่อมั่นในสัจธาคตไม่หวั่นไหวนั่นเป็นท ร, รัพกองหนึ่งคุ้มหนึ่งอะ นั่นซักหลุมหนึ่งละกอหนึ่งละนะอาจจะลาสุปฏิจิตตาศรัทธาเชื่อมนันไว้ว่าไหนนะอาจจะเชื่อหลอกแหลกวอกแกวกงอแงงเชื่อเป็นคลั้งเป็นตาวเครเชื่อมาในพระตถาคก ต, ตัมมาสังวริชเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระตักพันยูรู้แจ้งถึงสิ่งเดียวกังเอง คือตรัสรู้เป็นพระสยัมภูได้กพระองค์เป็นผู้วิเศษสูงสุดกว่ามนุษย์เอเทวดาทั้งหลายก็เชื่อมั่นในใจของเราแน่วเน่อย่างนี้พ้องอันใดที่เราเชื่อมาน่นไดเราเชื่อในสิ่งใดอันนี้พูดถึงเรื่องนามธรรมาไม่เห็นตัวผู้เจ้า แต่เชื่อมันในคุณพราะพุทธเจ้าที่ว่าท่านเป็นผู้วิเศษผู้รู้จสรู้เป็นประจมปูรู้เองกันเองคนจากกิเร์บาประธรรมพอเราลึกระลึกคิดถึงพระองค์เช่นนั้นใจเราปลื้มตีติยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนที่ไหน ป, ปื้มตีติอิม่มอกยิ่งใจเพราะคนเชื่อนั้นเราท้าพระอง ค, องค์เป็นของอิสุสุ้ง มีคุมแรกคุมที่สองว่าอะจราสุปฏิธิตตานแน่นอนที่สุดแหละถ้าหากเราเชื่อในพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อในความรู้ของพระองค์เชื่อพุทธเจ้าเป็นพระจำปูรู้แจ้งเห็นสิ่งใีพระองค์เหแล้วก็จะต้องมั่นใจว่าคำสอนนั้นเส้นของมีค่าคู้ปฏิบัติตามจะไม่ไร้ประโยชน์ ชิ้นห้าชิ้นแต่ไม่มีปัญหาคำสองถ้าแบกของมีค่าแล้วก็อยากจะทำด่างแล้วก็อยากจะขึ้นดางชิ้นห้าชิ้นแต่สักของนี้เดียบไม่ไปของไั่ได้จันใดเลยเดี๋ยวน่ะสินเป็นของงามใช่ด้วยไม่ใช่เป็นสินด่างร้อยข า, ขาดวินวิน ด่งๆค่อยๆจะขาดจินดินไม่ใช่อย่างนนคนที่ศรัทธามไม่เต็มที่อย่างเบื้องตน้นคือศีนลสสนรักษาศีลสมาทานศีลแล้วด่างๆค่อยๆเหมือนกันก็นกว่าหลวงพ่อมาเสียมันจองัวด่างมีขาวมีจุดขาวมีจุดดําจุดแดงมีจุดเหลืองเอ่ย งัวงัวด่างคงจะผ่ากันรู้จักมันงามที่ไหนหรือไมช่นั่นเกิดเหมือนกับผ้าที่มันขาดกระลุกกรรางไม่มใชรปราถนาดอกผ้าผาาเห้ น, นั้นสระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่สนสรรรับสนุนไอ้อยากกับตังลัดตังที่ตังสินที่ท่านสนัเสริญแน่สินไม่ด่างร้อยไม่ขาดไม่ยิน ขาดสมชินสมบูรณบริบูรณ์นี่เป็นขุมหลุมที่สองนีเรียกันตังวะสังที่ตังชินนั้นพระริเจ้าท่านชมเชยกันต้นแปบหลุมที่สามสสังเกภาษาโดยยสถิตผู้ยุคผู้กันยนดัาสนาการที่ได้คบคบค้าสมาคม อริยสงฆ์สาวของพระพุทธเจ้าคือท่านไม่เป็นอริยสงฆ์กามผู้ยูคผู้ตานจะดัชนันคือว่าเราไปเห็นท่านผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบถ้าหากปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมันเพิ่มภาษาศราาัทธาให้เราเลื่อมใสยนินดียิ่งยิ่งทวีถ้าหากไปเห็นผู้ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเราก็บถอยเลิกเกี่ยวไปด้วย ใจแท่านดีแล้วก็อดดีไม่ได้แคอยากดีกับท่านอยากดีอย่างท่านก็เกิดเื่อะเสือกใจรัชธาอยากจะได้อย่างท่านปฏิบัติอย่างท่านการครบค้าสมาคมกับคนเราถ้าคบคบกับคนเลวมีแต่จะเลวลงใส่ถ้าคบคนเสมอตัวก็อยู่ตัว ถ้าคบคนดีก็มีแต่จะทําให้เราดีขึ้นขึ้นดึงให้เราดีขึ้นสูงขึ้นแน่นั้นการครบพระอริยเจ้าหรือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงจึงเป็นเหตุให้เราดีขึ้นเลยกลายเป็นเรียกว่าได้ซับเป็นซับอีกหลุมหนึ่งสําหรับที่จะเป็นคุณมูลมรดก แกเราต่อไปมีสามหลุมที่ให้รู้จักทับษที่เราจะสแสวงหาในทางกุศลศาสนานี่สามหลุมหลุมที่แรกไปเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าหลุมที่สองมีศิลสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดกิตไม้ด่างม้อยหลุมที่สาม การที่ได้สมาคมและได้เห็นท่านผู้ปฏิบัตบิดีปฏิบัตชิชอบเนียพระอริยสตสาวกของปุริจักรนี่มีสามหลุมสักที่ว่านี้ไม่มีใครให้กันที่อธิบายนี่ก็ไม่ได้หมายไม่ได้หมาย ว, ามว่าเอาให้แต่อยากจะชี้ให้เข้าใจว่า มันเกิดมีขึ้นในตัวของเราทุกคนถ้าเราทำถูกถูกทางก็เลยเกิดมีขึ้นในตัวเราเราเป็นคนมีคนรวย้สมยตราบอันนี้ไม่มีไม่มีไปไม่มีหีบใจหรอกไม่มีถุงใจหรอกในบงมากก็ไม่ต้องฝากธนาคานไม่ต้องกลัวขโมยต้น ที่ไม่กลัวทั้งนั้นอาศาัศรพละนาทรัพย์นี้เป็นของอาศาัศรพละนะมีเฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคลท่านจริงว่าอาจโจรานโนดิพิโจรขโมยเอาไปโจรลักขโมยไปก็ไม่ได้คู่มีทรัพย์เช่นนี้นั่นอย่าไปพูดว่าแต่มันจะ ม, มาขโมยเอาเลย มันจะมาโฟลน์นเาเลยถึงมีในจวงเราเต็มทั้งสามหลุมนี่กตามมันทำมโนไม่มองเห็นหรอกมันจะไปรักตรงไหนไปทำมโนตรงไหนมันไม่เห็นจะ่นนั้นนะปิดมิดเลยลักษาเรียบแน่หนาฟ้าสันติสุดพวม้มีทัศสาสการนี่เป็เครื่องสามหลุมนี่เป็นเครรักษาเป็นเจ้าทับสามหลุมนี่แหละ ทำที่ว่ามีใครให้ใครนะแต่ไม่มีใครเอาให้ได้เอ่อ ท, ที่บาร์ชี้ว่าให้รู้คนเราทุกคนคงจะมีวะไม่มากก็ต้องน้อยอย่างพวกเราที่พา ก, กันมาทำบุญทำท า, ทานหรือมารักษาศีลภาวนาอย่างนี้ทุกคนต้องมีแล้วแค่ว่าใครจะมากหรือน้อยนั้นไม่มีใครจะนับกันได้หรอก ไม่มีใครนับของกันได้สักคนเดียวนับด้วยตนเองดูด้วยตนเองศรัทธาภาษา ท, ที่ผมเชื่อสิ่งที่เราเชื่อลงไปนั้นเชื่อมากน้อยขนาดไหนเรามาทําทานเลเชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผลไนดะ้เกิดคนลุตทุกคนเชื่อทุกคนแต่ว่ามากน้อยขนาดไหนนั้น ไม่มีใครมีไม่มีใครนับไม่มีใครวัดกันได้ <c oughs> จะต้องวัดใจของตนเองบางคนทำน้อยอาจจะได้ความปุงพิสุมากจนเหลือค่าที่เราได้กันที่เราให้นัินก็ได้บางคนทำมากๆใจอาจจะเหี่ยวหกเหวอาจจะไม่เต็มสมมูลบริบูรณ์ก็ได้ศรัทธาเป็นตับ อันเปสืบนิ่งกับซับแอนออดังอธิบายมาแล้วท่านจึงแสดงว่าศรัทธาปาไยัยปุรุศรัทธาเป็นสเสบียงทางสรัทธายตรรติโอคงังศรัทธานี่แหละส่วนเชื่อมันนี่แหละเป็นเหมือนกระเลือเทียายแล้วข้าม มหันนโนภสองสามคือกองทุกข์จงปวงได้ศัทธาดุติโยปุลิโศกรัทธาเป็นเพื่อนชนิดของเราที่ตุดติดอยู่กับกายกับแจขอยงเราตลอดเวลาศัทธาในที่นี้หมายถึงเรื่องศรัทธานในทางที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม ถ้าเราเชื่อกรมกับผลของกรรมแล้วกรรมดีย่อมได้ดีสัมผัสดีส่วนให้ผลเป็นทุกข์กรรมดีได้ดีให้ผลเป็นทุกข์เรามั่นใจอย่างนี้แหละนั่นแหละเป็นสหายเป็นเพื่อนเราอยากชนิดไปไหนไม่มีวันไปมีเวทเราจะไปงามสร้างเด็กคณงานกบดีถ้นเราสาร้างกบดีนะ่ะคือไม่มีเวทในไทยคือมันมีบาปมีกรรม ศรัทธาตรงนี้คอยแนะนำคํำสอนและตักเรื่องละอยย่ตลอดเวลาจึงเป็นเพื่อนขอเราตลอดเวลาศรัทธาเป็นเสียงทางที่จะเป็นเสบียงทางสำหรับที่เราจะเดินทางไกลผ่านธุระตันดาน วัฏฏะต้องสานคือความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วตายตายแล้วมาเกิดเกิดแล้วตายเป็นา ก, การวนเวียนทางยืดยาวไม่ทราบว่าเมื่ อ, อไรไมันจะจบจะสิ้นก็เหตุที่เรายังมัวเมาและลุ่มหลงอยู่ถ้าอาศัยศรัทธาอันเดียวเนี่ยตัดขุนนี้แหละเป็น เ บ, บียงสาหรับทักสำหรับที่เราจะเดินคือว่าเราเกิดมาเกิดตายแล้วเกิดได้ เ, เกิดเรื่อเรื่องว่าเราเดินเรายังเดินอยู่ถ้าไม่มีศรัทธายอย่างเดียวขึ้นเที่ยวการเที่ยงบนกังกรรมแล้วอาจจะเลวลงไปแล้วอาจจะหลงทางเข้าบุกลบบุกป่าแล้วหายไปก็ได ถ้าศรัทธามีแล้วคอยกำลัตั้อยู่เสมอแนะนำจักเกือมาอยู่ส ม, มอคอยให้กำลังใจแบบทำช่วงอย่าทำเลยจงจงทำดีทด่านดีแล้วก็พป่งยิ่อกยินใจพื้มปีกยิ่งโมยินใจสมัครอัน น, น, นี้เป็นกำลังใจเป็นหน้าหารของใจไม่ให้ใจหแหวี่ยแหนพดหู ถ้าไม่ใจเราเบิดบาดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าศรัทธาตรัติโอรังมันก็เปรียบเหมือนกับว่าเราจะข่าแม่น้ำมหาสมุทรมันไม่มีขอบเิมองเห็นไม่เห็นฝังถ้ามีศรัทธานี่แหละวก็เป็นคู่ทีวิตจิตใจของเรา เราไปเดินไปด้วยในการเกิดแก่จะตายแก่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอนุจักจักระเกิดตถ า, ตา น, นั่นเป็นเงี้ยสมเรือแพนาวากงเราเทจะขามแล่ต้องข้ามไกลล่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งเวลานหนึ่งละ่ะเราทำบุญคุณทานเรือกฆ่าคนหนาวนดีให้เปิด บ, บาน ใจฟูขึ้นมาใจอิ่มขึ้นมามันไม่ตมเหมือนก็เรือชูคนไว้ไม่จมน้ำตายเบาพระพุทธเจ้าท่านสอนร้าทิศสูตรทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันวิทย์นัวิทน้ำเรือเรือที่เธอพากันวิทแล้วจะเบาไปคล่อง จิตใจถ้าหากว่าฟองใสเบิกบานมีคุณงามคุณเดือคุณดีเป็นเครื่องเชิดชูฟูอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าเรือไม่มีน้ำาังมันก็คล่องไปมาที่ไหนแต่คล่องขึ้นเหนือล่อง ไ, ไ่ไปใกลไปไกลไปแสวงหาบุญกุศลไปฟังเส็จฟังธรรมจะไปทำบุญทกทานที่ไหนมันได้มดไม่จนไม่ทุกข์ไม่เหลือดล้อน ไม่หนักไม่หน่วงศรัทธาไม่มีเดาแย่ไม่ไหวจะไปไหนก็ไปไม่ได้มิจะติดอันเมดคือมันหนักมันจมวันไห้ก็แล้ววันไหนก็แล้วลเดือนไหนวันพระไหนก็แล้วปีไหนก็แล้วไม่โว่ไม่ลอยขึ้นมาเลยท้าสี่สักวันพระ ศรัทธามีแล้วมันลอยไปได้กล่องแตาเย็นออกเย็นใจทั้งห้องใจห้องกายด้วยทางธุระจำ دان แสงไก ไ, ไกแสงไกมันก็ไปไปถึงนี่แหละศรัทธาท่านใจว่าตรติโอของังเป็นเหมือนไอ้ศรัทธาเนี่ยเป็นเครื่องข้ามโอ ข, าาข่าววาจต้อานได้ศรัทธามีมาก ดูใจของเราแล้วกแล้วกันอย่างอธิบายให้ฟังนห <c oughs> เรามีการทำทานทั้ทางเรานักแน่นมั่นคงและว่วงขวางขนาดไหนไปเบิกบานขนาดไหนมันลอยมันฟูขึ้นมาขนาดไหนอิ่มขึ้นมาขนาดไหนวัดไปจนเองเรารักษาศีลิ้นห้า คาหาครับคือศรัทธารักษาได้ง่ายง่ายสินห้าสินแปดไม่อยากอะไรเลยอันนี้สินห้าที่เรารักษาได้นัะ่ะที่รักษาที่แปดที่เรารักษาได้แล้วมามองมองดูภายหาจิตใจเบิกบา่ายิมแย้มแจ่มใสจิตใจนั้นเต็มตื้นฟูก็มาเหมือนไกน่อาศัยศรัทธาเนี่ยทจะรักษาจิได้กัน ต้องเสริมให้รักษาศีล น, นี่แหละยริงว่าเป็นเหมือนกระเรือพาให้เราข้ามวัดตาโอสาวัดตาต้งขาแนัดรักษาศีลซึง่งงดเว้นจากโทษนั้นนั้นเลยทวมชั่วนั้นนั้นมันก็เบามันก็ไม่จมความดีเรียกวกับบุญกุศลนน ท, ท่านแสดงไว้ คนทำบุญแล้วตายก็เกิดชั้นฟ้าสวรรค์ที่สูงสูงเครื่องมันเบามันลอยขึ้นไปใจมันเบาใจมันลอยขึ้นไปคนทำบาส น, น, นักหน่วงคิดใจทื่อมาเบิกบานท่านเลยที่ไปตกนรกเคื่อมันจมลงไปหน่ มันไม่ลอยขึ้นมามันไม่ฟูขึ้นนีมันศรัทธานํ า, นนอน า, นนาอย่างนี้แหละนําให้ลอยให้ปูขึ้นมามันดีเด็กอย่างเพียงรักษาศีลส่งแต่ศรัทธาส่งมาถึงศารลรักษาศรัทธายังสามารถจะส่งขึ้นไปหาไหวายรัตตวจหมดประจัญไม่ขาดด้วย ข้าเย็นก่อนจะรับหือตื่นก่อนจะไปออกราชการทํางนานไม่คีดเฉียดคิดคาดไม่ได้ไหวพระเส็ยก่อนไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเสียก่อนไปมันก็ไม่สบายขั้นทําววระเบอดฟันฟองใ้จิตใจหีุดคล่องตัวคนที่มีธรรมะคือมีพระรัตนใจมีไหวพระสวดมนต์ประจํา ก่อนที่จะไปในทิ่ใจทางใดหรือจะไปประกอบภ า, าระธุรกิจการงานในแต่กว่าถ้าเราอาศัยศรัทธาตัวนี้ทับลุมแลกคือศรัทธาตัวนีน้เป็นเครื่องสนับสนุนพุทู น, นช่วยเรออยาตลอดเวลาไม่ค่อยจะมีภัยอันตรายไปโดยคนสุขสบายบุบบ่ย ข้าหากคนเราได้มาใช้ทรัพย์ผมนี้คือสถานให้เป็นประโยชน์แล้วแก่สุขสบายปราศจากอันตรายทั้งปวงใดจอย่างดีที่สุดมีสถานาเข้าไปถึงรักษาศีลไวพระตรวนมวลได้แล้ว อาวะเนี่ยนำให้เกิดภาวนาสมาธิที่เราเชื่อคำสอนพระเจ้าอกู่แล้วแต่คำสอนพระเจียเป็นของมีสาระคำสอนพระองค์นะสอนเึืงสัจธรรมคำสอนพระเจียที่พระองค์จะได้ความจะได้คาสอนนี้มาอนพวกเรา ก็พระองค์พบลมพระไท่ของพระองค์คือใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์พุทธของจิตแจขงพระองค์เบิกบานจึงเรียกว่าพุทโธใจไม่มีกิเลสมัวหมองคองใสสะอาดตลอดกาลเวลาก็เพื่แสงสว่างคือตัวปัญญาคนเราถ้าหากจิตแจ่มเบิกบานเนี่ยไม่มีเครื่องขีดกัน คิดอะไรปล่บอกมอดทุกสิ่งทุกอย่างในขณนะดเดียวยกันอะไรความสุขสบาย้ากิเลสคุมปกติดห่มห่อตื่มมดคิดอะไรก็ไม่ออกนักปกหนักใจวุ่นวี่กันวายงุดอิดชุ้นเขียวทั้งพัดทุกอย่างอันสิ่งที่จะมาห่มห่อให้จิตมืดมนมีมารอบด้านเลย พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝึกฝนตบลงพระองค์ให้เขา้าถึงตรงนั้นคือจิตใสสะอาดบริสุทธิ์พุทธพออย่างกสด็คของลู้คราวนี้เราก็เชื่อมั่นในคั้สองพระพุทธเจ้าแล้วอยากจะได้ความรู้ทาอยากจะเห็นคําสองพระพุทธเจ้าอยากจะให้ถึงคําสองพระพุทธเจ้าก็อดไม่ได้ความเชื่อมีอย่าง น, นั้นก็อยากจะปฏิบัติอยากจะหัดภาวนาทำสมาธิ พอทำลงไปพอได้อย่างเดียวนะไม่ต้องใดมากเลยแต่พิจารณาพุโทโธเท่านี้แหละทําบริการว่าพุโทโธนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนพวกเราปฏิการะพุโทโธให้จิตเป็นสมาธิเทนะ่านั้นไปจากพุโทโธมาได้ไหมไมันดีโอเคใหญ่ก็กลบช่วย เ, เหมือนจะได้เพ็ร เม็ดตวโตมันก็ได้ทองคำข่อนใหญ่คิดใจมันก็เบิกบานีลยครเห็นกาเป็นของมีของดีมีค่าเพราะศรัทธาเพียงพอคือแค่สับคุ้มแรกเนทะ่านั้นคือศรัทธาคุ้มแรกนถ้าหากว่าศรัทธาเอาไมาใช่ไม่หมดไม่พอใช่ไม่ถูกค่าเลยไม่มีค่า เานาพุโทโธก็แลบศาสนาอรหังก็แลบมานาสติก็แลบมานาปาสติก็แลบที่จะแลบก็เฉยๆนั่นแสดงถึงทรัพขุมแรกือจัวตัทายังไม่ทันมีมีแต่จะขุมแต่ไม่มีทรักอยู่ในนั้นก็เลยใช้อะไรไม่ได้ ถ้าเป็นสตางก็มันก็มีแต่กระเป๋าสะต่างนั่นเอใจของคนเรามีอยู่แต่มมนมีสชาเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็เลยไม่เบิกบานก็เลยไม่อื่ม อ, อืดก็ไม่เต็มตื้นนี่วิธีหาซัพในทางพุทธศาสนาคือว่าสร้างให้มันเกิดมีคะแนนนั่นแหละความเชื่อมันไม่เกิดมี เท่าเนี้ยวิธีหาทรับต์ทรัพย์ทางยาศต์ไม่มีการสิ้นหายไม่มีการเสื่อมตรทรับอันนี้เรืนงของเปล่าเปลกบานเยอะเกลียทรับอันนี้เรื่องของติดตามจนไปได้ตลอดอยู่ในชาตินี้เป็นมนุษย์อยู่ในเมืองคนเรานี้ก็ไปไหน มีซับอันนี้เป็นเครื่องอยู่มีค้อมเบิกบานอิ่มใจตลอดเวลาหากตายจะโลกอันนี้แต่แรกซับอันนั้นเราก็จะได้หอกไปตามแล้วก็จะได้เอาไปใช้แล้วเกิดพบใดชาติใดซับอันนั้นจะได้ติดต่อยหอยตามแล้วตลอดเวลาท่านเดี๋อวพมาเตรี่ยนมันเถิเงา แล้วอยู่ไหนเหงายังเตรียมตัวอยู่ไนนั่นแหละทัศน์ท้าก็เตรียมอยู่กับใจตลอดเวลาท่านอย่างเดียวว่าคนไม่จนมีแล้วมันอิม่มใจมันไม่จนคนมีแล้วไม่มีพอเครื่องไม่อิม่มมีต้องบัดเขาขอมั่งหมุลสักเท่าไรก็ตาม แต่ว่าไม่รู้จักพอไม่รู้จากอีมไม่รู้ครัวมไม่อิ่ไม่พอไม่รู้จะเต็มท่านเรียก ว, ว่าคนจ น, นแต่มาเรียกว่าคนทุกข์คนจนกับคนทุกข์ก็ผิดกันเลยให้พิจารณากันให้ดีทุกข์นั่นนะ่ะมีมากก็ทุกข์มีน้อยก็ทุกข์ไม่มีเสค่เลยก็ทุกข์ ครอบคไม่ครอบคไม่อีกมไม่พอคือไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของที่ตนมีมีมากไม่เห็นคุณค่าเมื่อแต่คุ้มไก่ก๋วยเช่อหม้อเชื่อเสือศูนสิน้นก็จะมีอันอยู่จนินทั้งท่านที่มีอยู่อ น, นี่คนทุกข์มี พอทํามาให้กินพอเลี้ยงอัุภาะเป็นไปเ่ยชั่วอะไรงะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตามส ถ, ถ้าหากเราไม่พอไม่อิ่มกัเรื่องนี้นถ้าโยธยาดิีดลนโน no, นีะ่ะเรายังว่าทนได้อยากจะได้อย่างที่เขามีมากๆกับเราคนขวายจิตใจโยธายานดินีดลนถึงนนทั้ทงๆ ท, ที่เราไม่มีความสามารถเราไม่มีสามารถดีลนจะเสื่อะสนดไม่กระทุกเราของเรา อันนั้นเรียกว่าทุกข์ีทุกข์แล้วขานี้ไม่แสวงบั้งสวยหาตีตนทองตนลงไปเราไม่มีมุนว่าจะนาหาเท่าไรก็ไม่ได้ล้วกก็เลยไม่หาจะทับให้กรรมคือราปขนาบขนาบล้วอยู่อันนั่นก็ทุกข์ถ้าพรพุทธเจ้าอสอน คนมีคนรวยหาไหนกอได้ไหลมาเทมาพระพุทธองค์สอนให้สร้างบุญกุศลต่อไปเหมือนกันก็เขาทำนาได้เข้ามาไว้ในยุง่งแล้วเร้ามาท่านาให้นอนนิ่งกินแต่ของเก่าเขาเก่าเท่านั้นเอาไปหวานไปทำเขาปลูกไปหวานไปปลูกไปดำ ให้มันจเจริญนียิ่งขึ้นไพวกไม่สุกสอแ น, น, น่นนอนงอมืองอเท้าอยู่หรอกพวกไม่ศอกหนอย่าง น, น, นี้คนจนคนอาได้ก็ไม่ได้ทุกข์ยากปากตามลำบากท่านก็นไม่ให้่ีนอนให้พยันมั่นเถียนท่านว่าคนเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเขียนถึงไม่รวยก็เอาเถอะ เคียงสัญญามมันต้องมีอันอดียวจริงนแน่นอนทีเดียวนีคนทุกแต่ต่งองโกเคียงจนทุกอย่างถกรรมชั่วเมื่อเราทําำม้แต่ก่อนน้ำจะหนองมาให้ก็ไม่ให้ทอดทิ้นอนท่าตายนีก่กรรมขนาดขนาดเองครับกรรมดีที่เราทํานั่นแล้วให้มาเกิดรุ่มรวยมีมั่งมีชีสุขเจริญงอกงามก็ไม่ให้กิดมา หวานพืชผลเพื่อประโยชน์ต่อไปมีศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลวนะสอนคนดีศาสนาพยายาุทธเจ้านะมันเป็นสังคมนิยมอย่างแท้จริงทีเดียวสอนคนไม่ให้สอนทุกท่านทุกกูุ่มทุกหมู่ทุกเราสอนเพื่อให้มีอาชีพเป็นไป คุณภาพของตนไม่ได้จีบกันอะไรเลยที่เขาพากันถือพระพุทธเจ้าตอนนี้คนที่เจที่พระนั้นคนนั้นไม่รู้พุทธศาสนาคําสอนพระเจ้าต่างหากแค่ได้จสียงโผงสอนนี่คนมีโทํางานมาเทียนให้ดูจากอาชีพหน้าที่การางนานของตนเนี่ยในะนี่ครับ คือศรัทธาพ่วงห่วงมากเมื่อมีศรัทธาแล้วสินก็จะเลยงอกงามตามมาเมื่อเรามาหัดเมื่อมีสินนะเห็นคุณค่าของสินนะก็หัดสมาธิเชื่อมันในสมาธิจักอันใดอุบายอะไรขึ้นมายกอุบายขึ้นมาเห็นว่านะั้เป็นของมีค่าเกิดศรัทธาเรื่องใสเชื่อมันในสินนั้นพอหน้าสมาธิก็เป็นไปเร็ว นี่ถ้าใช้ซั์เปน็นเป็นอย่างนี้ถ้าใช้ซั์ไม่เป็นถึงแม้เราจะเรียนธรรมะหรือฟังธรรมะมามากาก็เสแสรดตามบางทีจำได้คล่องฝากห้องใจอธิบายได้รีบรรได้ดีแต่นตนเองมาใช้ไม่เก่งใช้ไม่ถูกนั้นเรียกว่าได้แต่กระเป๋าไม่มีตาเป็นคนจร ถ้ามีกระเป๋าเงินเต็มกระเป๋าสมบนูรณ์บบคือเรารู้แล้วเราเข้าใจประจำได้และก็ทํามันแล้วมันก็มีตาม ท, ที่ท่านอธิบายแล้ว ท, ท่านแสดงได้แสดงล้วนแต่ของคนมีแล้วนั้นนผู้มีศัทธาเราแปลงานผู้มีศีลเราแปลงงานเชื่อมันในข้าวที่ปสงค์สาวกคู่ปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นอย่างนั้ น, นเรียกว่าซัก นี่เรียกว่าอาเรียทรับท่านพูดทั้งคนที่มีแล้วน่นา น, นี้เมื่อพูดทั้งคนที่มีแล้วเราเป็นเรียนแต่สมบัติของคนอื่นที่เขามีแล้วแต่เราไม่ทําสมบัตินั้นเกิดไม่ทำทรัพย์นั้นเกิดมีขึ้นในตๆๆ้นๆเราก็เลยไม่มีค่าประโยชน์อะไรเลยทรัพย์เทพเจ้าทัานสอนมีหลายอย่างอันนี้อธิบายสามอย่าง ศัทธาสินนแะลเรื่องใสในมีศัทธาเรื่องใสในพระอาดีตสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติอิสระชอบมีสามีสามหลุมถ้าอธิบายไว้อีกเจ็ดหลุมกว้างกว่านั้นอีกแยงมากกว่านั้นอีกัทธาหนึ่งสินหนึ่งิลิโทตรปะ ต้องโหจา๋าด้วยกันได้ยินเล่ฟังมากปัญญาส่องดูนนเขารู้ร่าอะไรเรียกว่าทัาบเจ็ดขุมโอ้โหหาได้เจ็ดขุมเมืเ่อกี้ยี่สิบยี่สเอ็แต่เอาเถอันนั้นมันยังมากมันมากไปให้รักษาสามขุมนี่ให้ได้ แ, แล้วกันแล้วระดับยังันบกต้องเมื่อสามขุมนี่เต็มนั้นไหลหลังมาเองดอกเอามันเจ็ดหลืวไม่นักนะเป็นของเราอยู่ดีๆนี่แหละ ไม่ต้องเดือดร้อนเป็นทุก์หรอเนื้อที่ายทั้งเรื่องตักนะรียกตักเป็นของไม่มีโจรขโมยและไม่มีการที่ใครจะมาลักขโมยออกไปได้สามหลุมพอเป็นเครื่องคิดติจารณาจริงใดหลุมใดยังไม่เต็มจงพาล้วสั่งสมแล้วอบหลุมพ่อปูนะมันเต็มขึ้นมา ทุกๆหลุมมาแล้วเราก็จะได้บาใจอยู่ ไ, ไหนไหนๆก็สบายใจอยู่ในโลกนี้ก็สบายตายไมแล้วก็สบายในท่าทั้งสามขุมมแล้วเรียกว่าเป็นคนไม่จนชีวิตเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นของไม่เปล่าแ จ, จากประโยชน์ชีวิตร่างกายอันนี้เป็นอุปมาเสียมันก็กระเป๋าสตางค์เอาทัพย์ทั้งสามประการนี้มาเต็มขึ้นมาแล้วแต่อยา่างเมื่อกลับกระเป๋ามี ท้องเรามีทับเต็มบริบูรณก็สบายจ่ายไปไหนต้องแจวเอาละอธิบายนีเดีย